ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคัมภีร์ชื่นารังการะดีกาแปลพระพุทธรักิตาจารย์ชาศีลังการัจนาพระพุทธรักิตาจารย์ครั้นกระทำการแสดงพระพุทธคุณทั้งหลายโดยสรุปอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะถามถึงความบริสุทธ แห่งการประกอบทางกายและทางวาจาจึงกล่าวว่าอนัญญสาธารณะภูตะมัทถังอากาสิกิงโสกิมะโวจะวุฑโธพระพุทธเจ้านั้นทรงกระทาประโยชน์เป็นจริงอะไรทรงแสดงอะไรที่ไม่ทั่วไปแก่สาวกอื่นๆในคําเหล่านั้นคำนี้ว่าอนัญญาสาธารณังที่ไม่ทั่วไปแก่สาวกอื่นมีอธิบายว่า การงานหรือการศึกษาการเรียนหรือภาระอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทั่วไปร่วมกันชื่อว่าสาธารณะได้แก่การนำไปร่วมกันพร้อมๆกันชื่อว่าสาธารณะหมายถึงเสมอกันเช่นเดียวกันสิ่งนั้นๆที่ไม่ทั่วไปชื่อว่าอาสาธารณะถามว่าไม่ทั่วไปกับใครตอบว่าไม่ทั่วไปกับสมณนะหรือพราม กับเทวดาหรือมารกับพรหมหรือใครๆ ใ, ในโลกเมื่อควรจะกล่าวว่าอัญญาสาธาระนังแต่ท่านกระทำสมาดยักย้ายกล่าวว่าอนัญญาสาธาระนังคำว่าภูตมัตถังประโยชน์เป็นจริงมีอธิบายว่าประโยชน์อันใดอันเป็นไปในการสามคืออดีตอนาคตและปัจจุบันหรือที่ไม่จํากัดการเป็นจริง คือเป็นอย่างนั้นไม่ผิดไปจากนั้นมีอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ตรัสให้คลาดเคลื่อนแก่ชาวโลกด้วยการโกหกโดยการโกหกหรือโดยการกล่าวเท็จแต่เป็นเหตุแห่งประโยชน์สุขแก่ชาวโลกทั้งสิ้นเป็นการปฏิบัติชอบพระพุทธรักขิตาจารย์ย่อมถามว่ากิจที่พึงทำหรือคำที่พูดเช่นนั้นอันใดมีอยู่ซึ่งประโยชน์นั้นคืออันเช่นนั้น พระพุทธรกิตาจารย์ย่อมถามว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่ท่านแสดงได้ทรงกระทําอะไรได้ตรัสอะไรในคําถามนั้นมีคําวิสัชนาดังนี้พระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงให้เลื่อมใสด้วยกําลังแห่งฤทธิ์ใดได้ทรงกระทําแล้วซึ่งกิจห้าประการทุกๆวันทรงทราบแล้วซึ่งข้อธรรมที่อนุกูลแก่จริตของชนทั้งหลายอย่างไม่เหลือ ได้ทรงแสดงการละอนุสัยในคาถานั้นเฉพาะคำนี้ว่าอาการสิกิจจานิดิเนสุปัญจะภาษาดยันจิตธิเพลณะ เ, นะเยณนะพระพุทธเจา้าเมื่อจะทรงให้เลื่อมใสด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ใดได้ทรงกระทำกิจห้าประการทุกๆวันเชื่อมความว่าพระพุทธเจา้าเมื่อจะทรงยังประชาชนให้เลื่อมใสด้วยกำลังแห่งพระฤทธิ์ใด ได้ทรงกระทำกิจห้าประการในทุกๆวันในคําเหล่านั้นคําว่าอากาศิได้ทรงกระทําคือทรงทําแล้วได้ทรงกระทําอะไรได้ทรงกระทําพุทธกิจห้าประการได้ทรงกระทําพุทธกิจเหล่านั้นเพื่ออะไรอธิบายว่าเมื่อจะทรงยังจิตของประชาชนให้เลื่อมใสเพื่อประโยชน์แก่ความเลื่อมใสจะทรงให้เลื่อมใสด้วยอะไรคือด้วยกําลังแห่งฤทธ ได้แก่ด้วยกำลังแห่งพระรูปกายและพระธรรมกายและด้วยกำลังแห่งปาฏิหาริย์ซึ่งเกิดขึ้นด้วยกำลังแห่งบุญของพระองค์ซึ่งสำเร็จแล้โดยประการทั้งปวงในเรื่องนั้นมีเนื้อความที่ประมวลมาดังต่อไปนี้ก็พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงประทานพุทธกิจห้าประการที่ไม่ทั่วไปกับบุคคลอื่นซึ่งพระองค์ทรงได้มาตามความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสในจิตของประชาชน ในโลกสันนิวาตซึ่งถือประมาณสี่พวกด้วยกําลังแห่งพระรูปกายและพระธรรมกายและด้วยกําลังแห่งอภิญญามีอิทธิวิทยาณเป็นต้นซึ่งบังเกิดสําเร็จพร้อมมูลด้วยสัมมาปฏิปทามีบารมีสิบ ท, ท้วนเป็นต้นที่ทรงบําเพ็ญมาโดยชอบแล้วแลจําเดินแต่ที่ทรงกระทําอภินิหารความปรารถนาแค่ บ, บาดมูลของพระพุทธเจ้าทีปังกอ จริงอยู่ชาวโลกย่อมถือประมาณเป็นสี่พวกคือที่ถือประมาณในรูปก็เลื่อมใสในรูปเรียกว่ารูปปรับประมาณิกาที่ถือประมาณในเสียงก็เลื่อมใสในเสียงเรียกว่าโคสับประมาณิกาที่ถือประมาณของปรก็เลื่อมใสในของปรเรียกว่าลูขับประมาณิกาที่ถือประมาณในธรรมก็เลื่อมใสในธรรมชื่อว่าธรรมมัตประมาณิกา ก็พระตถาคตเจ้าทรงมีพระรูปกายที่ประดับด้วยมหาปุริศรักษณะส2สองประการอนุพยัญชนะแปสิบประการและพระเกตุมาลาซึ่งมีพระรศมีแผ่สร้างออกหนึ่งวาอันเกิดด้วยกำลังแห่งกุศลที่ทรงสั่งสมมาสิ้นกาลสมัยกำหนดประมาณไม่ได้รุ่งเรืองดุดภูเขาสุเมรุรัตนะที่รุ่งเรืองวงล้อมด้วยสายฟ้าที่แลบออกกลมกลืนกับแสงเงิน ไม่ทั่วไปกับรูปกายบุคคลอื่นสำเร็จเจริญสมประสงค์ถึงความสุดยอดเป็นทัศนานุตริยะชนผู้ถือประมาในรูปย่อมเลื่อมใสด้วยพระรูปกายนั้นนี้เป็นรูปปรัประมาณิกาทรงมีพระสุรเสียงที่เกิดด้วยกำลังแห่งกุศลที่ทรงสร้างสมมาตลอดระยะกาลอันหาที่สุดมิได้เช่นกันท่านพนานาว่าประกอบด้วยองค์แประการคือ วิสัตถูสละสลวยวินญยโยชัดเจนมันชุภัยราะสวนิโยสนะโสดน่าฟังพินทุกลมกลม่อมไม่แหลมเกินไปเสียงทุ้มชวนฟังอวิสารีไม่เคลือพล้าเสียงไม่แหบแพง้งคัมพีโรหนักแน่นคือรึกซึง้งนินนาดีกล้องกลางวานนะไม่ถึงกับกลางวานเกินไปนะในเสียงแบบแอคโค่สมัยนี้ แต่ว่าเป็นเสียงก้องกังวลมากเป็นเสียงที่ดุดดังเสียงพรมเป่งออกมาดังเสียงนกกาเรเวกถ้าพระองค์ทรงปรารถนาจะเป่งพระสุรเสียงให้ได้ยินจนถึงพรหมโลกพระดำรัสที่เป่งออกมาของพระองค์ก็สามารถจะแผ่ครอบคุมถึงติสหสีมหาสหาสีโลกธาตุสาเร็จสมประสงค์ถึงความสูงสุดไม่ทั่วไปกับบุคคลอื่น ถึงความสุดยอดเป็นสาวนานุตริยะมหาชนที่ถือประมาณในเสียงย่อมเลื่อมใสด้วยเสียงนั้นนี้เป็นโคศปประมาณิกาโคศปประมาณิกาก็หมายถึงเสียงอันเทระหรือว่าเสียงเล่ารือก็ได้นะเสียงเล่าเรือในกิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันนี้ก็ ชื่อว่าเป็นโคซัปต์ประมาณิกาได้สําหรับติสหสีมหาสหสีโลกธาตุนี่นะหมายถึงโลกธาตุอย่างใหญ่นะเป็นโลกธาตุอย่างใหญ่มีบริเวณถึงแสนโกดจักรวาลนะแสนโกดจักรวาล น, นะตาเป็นทวิสหสีมัชชิ ม, มิกาโลกธาตุนี่ก็ล้านจักรวาล น, นะล้านจักรวาลพันคูณพัน อันนี้เป็นชาติเขตถ้าเป็นมัชิมิการโลกธาตุเนี่ยทวิทาสีนี่มัชิมิการโลกธาตุนี้เป็นชาติเขตแผ่นดินไหวอ่าส่วนแสนกฎจัก ร, กรกวาลเนี่ยตีาศาสีมห า, าศาสีนี่เป็นอาณาเขตนะอาณาเขตก็หมายถึงว่าพวกพระปริษอำนาจของพระปริษทั้งหลายเนี่ยรัตนปริตหรือว่ า, าพระปริษต่างๆอาณาตายรยปริษนี่แผ่ไปถึง ส่วนชาติเขตนี่ก็บางที่แท้แสดงหมื่นจักรวาล น, นะหมื่นจักรวาลแต่ว่าตรงนี้บางที่ก็แสดงทวิศาสตร์สีมัชิมิการโรคธาตุตอนที่ประสูตรตัสรู้ปรินิพานแสดงธรรมจักปรลงระชนมายุคสังขารแผ่นดินไหวเนี่ยเขาเรียกว่าชาติเขตหมื่นจักรวาลแล้วก็หวั่นไหวไป ส่วนวิสัยเขตของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีกำหนดเลยปริมาณอยากจะมีความรู้แค่ไหนมีความสามารถที่จะรู้ได้ทั่วถึงหมดกี่แสนกจักรากวาลอันเป็นอนันตะเพราะว่าในบรรดาอนันตะสี่อย่างนั้นพุทธญาณ น, นั้นเป็นอนันตะที่สุดสามารถที่จะรู้ทุกสิ่งอย่างจักรวาลก็เป็นอนันตะอากาศสัตว์โลกทั้งหลายเป็นอนันตพระพุทธเจ้ารู้ได้ทั้งหมด พระผู้มีพระภาเจ้าทรงมาเกิดด้วยบุญญสมผานมีทานเป็นต้นที่ทรงสั่งสมมาสิ้นการอันกำหนดประบาลไม่ได้แม้ด้วยโกรธกลับประสูตรจากพระคันของพระนางมหามายาเทวีผู้ทรงพระคันกับพระเจ้าสุดโทธนะมหาราผู้ทรงเจริญที่สุดในตระกูลแห่งพระญาติแปดมื่นสี่พันทั้งฝ่ายพระมารดาและฝ่ายพระบิดาแล้วประทับยืนอยู่ดุจดวงอาทิตย์มีแสงหนึ่งพัน โชขึ้นมาทำลายภูเขาสุมเมรุรัตนะในขณะพอประสูตรก็ทรงหันพระพักไปทางทิศอุดรเสด็จดำเนินย่างพระบาทไปเจ็ดเก้าทรงบรรลือสีหนาคโดยในเป็นต้นว่าอักโคหมัสมิเราเป็นผู้เลิศอักโคหมัสมิโลกัสะเราเป็นผู้เลอโลกะเชโะก็ความเต็มนี่ก็คืออาจจะอ่านข้อความเต็มนฟังนะ อโคหมัสสมิโลกัสะอโคหมัสสมิโลกัสะเราคือผู้เลิศในโลกเชตโถหมัสสมิโลกัสะเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเศธโถหมัสสมิโลกาสะเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกอยะมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย นัตถิดานิปูนโภะโวบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปก็ท <g> ร <oda> งเจริญด้วยเครื่องอุปโภคอันเกิดจากทิริจำนวนมากดุดพรมกุมารได้รับการประลาประโรมด้วยการฟ้อนรำขับร้องอันคลาคลาั่งด้วยนักดนตรีนับร้อยไม่มีบุรุษเจือปนไม่ใช่นับร้อยนะเป็นเป็นเป็นหมืน่นไม่มีบุรุษเจือปนสเสบยิริราชสมบัติอันมีความงดงาม ดุดดังเลือกสรรมาจากโลกทั้งสิน้นกับราชกัญญาสี่หมื่นนางบนประสาทสามหลังคือปราสาทรัมมาประสาสุรัมมาประสาสุภาอันเหมาะสมกับสามฤดูทรงเห็นบุพภณิมิตทั้งสี่ทรงดำริว่าวันนี้เราควรจะไปบวชจึงเสด็จออกมิได้ทรงสวมกอดพระโอรสผู้ประเสริฐเช่นนั้นซึ่งประสูตรในวันนั้นผู้จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรด ทรงสำคัญนางแก้วผู้เช่นนั้นซึ่งบรรทมอยู่บนที่บรรทมอันประเสริฐเป็นดุจนางผีเสื้อน้ําทรงสดะรัชษสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิที่ตกอยู่ในเงื้อมพระหัตดุจทิ้งก้อนเถร ะ, ะเสด็จออกไปทรงผนวดลําพังพระองค์เดียวทรงทําความเพียรอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลาหกปีทรงถึงความสุดยอดแห่งการกระทําทุกรักกิริยาภายหลังได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงถือเอาผ้าสาดก เปลือกปอที่หอศพนางทาสีชื่อกุญนาที่ตายถูกนํามาทิ้งในป่าช้าผีดิบเป็นผ้าที่เต็มไปด้วยตัวหนอนประมาณหนึ่งธนานทรงสลัดให้ตัวหนอนให้หนีไปทรงถือเป็นผ้าบางสกุลทําเป็นจีวรใช้สอยแผ่นดินถึงกับวันไหวทรงเป็นผู้ที่ไม่ทั่วไปกับบุคคลอื่นด้วยปฏิปทาสายกลางทรงเป็นผู้ไม่ทั่วไปกับบุคคลอื่นด้วยพระคุณทั้งหลาย มีความมักน้อยเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระคุณปนๆ อ, อย่างนี้คนที่ถือประมาณในของปอนๆย่อมเลื่อมใสด้วยของปอนๆ น, นั้นนี้เป็นลูขับตามานิกาความขัดกลาวความประพฤติเศร้าหมองนะั้นเรียกว่าลูขับปฏิปทาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระธรรมคือพระสัพพัญญุตยานที่ประกอบด้วยพระคุณมีกําลังสิบเวสารัชยานสี่และปฏิป ปฏิสัมพิทาสีไม่ทั่วไปกับธรรมอื่นดำรงส่องมนทนแห่งสิ่งที่พึงรู้ทั้งสิน้นให้ตวาเป็นอันเดียวกันคนที่ถือประมาณในธรรมย่อมเลื่อมใสด้วยธรรมนั้นนี้เป็นธรรมมัตมานิกามหาชนย่อมเลื่อมใสแม้ด้วยปาฏิหาริย์ที่ทรงแสดงในสถานที่นั้นๆในคำว่าระสาดยันจะเมื่อจะทรงให้เลื่อมใสนี้ ด้วยจะสับ พ, พึงถือเอาเนื้อความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ า, จาทรงยังความกลัวคือความสะดุ้งและความสังเวชให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนผู้ที่เห็นนรกเป็นต้นในปาฏิหาริย์เปิดโลกเป็นต้นแล้วสะดุ้งกลัวในวันปาฏิหาริย์เปิดโลกนั้นก็เรียกโลกกวิวรณ์นะในวันเทวโลหณนะคือเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสร์หลังจากที่ทรงแสดงพระบิด ร, รมาเจ็ดกัมปีโปรดพระพุทธมารดา ท้เทวดาทั้งหลายในมือนจักรวาลในสันชั้นดาวดึงแล้วก็ทำการเปิดโลกพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทมพุทธกิจห้าประการอย่างความเลื่อมใสและความสังเวชให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของพระองค์อย่างนี้ในพุทธกิจห้าประการนั้นที่ชื่อว่ากิจนั้นมีสองอย่างคือกิจที่มีประโยชน์กิจที่ไม่มีประโยชน์คือกิจที่ไร้ประโยชน์ ในกิจสองอย่างนั้นกิจที่ไร้ประโยชน์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำการถอนทิ้งแล้วด้วยอารหัตมตรนักโพธิบัลลังนั่นเทียวกิจของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีเฉพาะแต่ที่มีประโยชน์เท่านั้นพุทธกิจห้านั้นแบ่งออกเป็นห้าอย่างคือพุทธกิจห้านั้นก็แบ่งออกเป็นห้าอย่างคือหนึ่งปุเรพุทธกิจกิจก่อนฉันสองปัจฉาพุทธกิจ กิดหลังฉันสปุริมะยามกิดกิดช่วงยามต้นสีม่มัชชิมะยามกิดกิดช่วงยามกลางหิยปชัชชิมะยามกิดกิดช่วงยามสุดท้ายก็มีการผูกเป็นคถาประพันธ์นว่าปุบบันเฮปินดาปาดันจาซานเฮธรรมะเดสนังปาโดเซภิกุโอวาดังอัทรัเตเดเวอเดวะปัญหานัง ปัจจุเซวะคะเตกาเลพะบาผะเบวิโลกนังเอเตปัญจะวิเทกิจเจวิโสเทติมุนิปุงคะโวเวลาเช้าเสด็จออกบินธบาหนึ่งเวลาเย็นทรงสแสดงธรรมโปรดมหาชนหนึ่งเวลาย่ำข่าประทานโอวาทแก่ทิสุสงหนึ่งเวลาเที่ยงคืนทรงพยากรปัญหาแก่เทวดาทั้งหลายหนึ่งเวลาย่ำรุ่ง ทรงตรวจดูสัตว์โลกผู้เป็นเผ่าพันธุ์พอจะแนะนำได้หรือแนะนำไม่ได้คือเป็นพัพพระหรืออภัพพระอันควรเสด็จไปโปรดหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีผู้สูงสุดย่อมบำเพ็ญพุทธกิจห้าประการดังนี้แลในกิจห้านั้นปุเรพุทธกิจคือกิจก่อนฉันมีดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ท ร, ทรงปฏิบัติพระสรรกกิจเช่นล้างพระพัก เพื่อให้ภิกษุผู้อุปทาได้ถวายการปริบัติและเพื่อให้พระสรีระมีความผาสุกแล้วจะทรงประทับยับยั้งอยู่ณนะอาสนะที่เงียบสงัดก็ด้วยวิเวกนะวิเวกสามมีอะไรบ้างกายวิเวกจิตวิเวกอุปถิวิเวกพระองค์ก็ทรงเงียบสงัดด้วยอะไรด้วยพภะสมบัติที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็เป็นอุปถิวิเวก จนถึงเวลาที่เสด็จออกบินทบาทพอถึงเวลาเสด็จออกบินทบาตก็จะทรงนุ่งอันตรวาศกคาดประคตเอวทรงโฮมชีวรทรงถือบาทบางครั้งก็เสด็จพระองค์เดียวบางครั้งก็มีภิกษุสงฆ์เป็นบริวารติดตามเสด็จไปบินทบาตยังหมู่บ้านถื อ, อย่างนิคมบางครั้งก็เสด็จไปอย่างปกติบางครั้งก็เสด็จไปอย่างมีปาฏิหารหลายประการปาฏิหารนี่ก็หมายถึงสภาพที่นำไปหรือว่ากําจัดทำ ที่เป็นปฏิบัติต่ออินทรีห้ามีอสัตทินสี่เป็นต้นก็ทําให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ได้พบเห็นนะปฏิหาริย์แปลว่านําไปหรือว่ากําจัดทําอันเป็นปฏิบัติต่ออินทรีห้าก็ทําให้เกิดอินทรีห้านั่นเองเวลาเสด็จไปอย่างมีปฏิหารเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตก็จะมีลมพัดโวยอ่อนๆพัดนําหน้า แผ่วพื้นพระสุธาให้สะอาดหมดจดละอองฝนก็จะลอยเป็นเพดานอยู่เบื้องบนโปรยปลายละ อ, องน้ําลงระงับฝุ่นละ อ, องในหนทางจะมีกระแสลมอื่นพัดหอบดอกไม้นานาพันธุ์มาโรยลงตามระยะทางที่เสด็จไปภูมิภาคที่ดอนก็จะราบต่ำลงที่ราบต่ำก็จะดอนสูงขึ้น้าคพื้นจะราบเรียบสม่ําเสมอในขณะที่ทรงย่างพระยุคลบาท จะมีปุมบุพชาติมีสัมผัสนิ่มนวลชวนสบายคอยรองรับพระยุคลบาทพอพระบาทเบื้องขวาวางลงภายในเสาเขตหมู่บ้านหรือนิคมพระพุทธรัศมีหกสีคือฉับพันรังสีก็ฉายแสงแผ่ออกจากพระวรกายพุ่งวนแวบวาบ่าแสงจับบ้านเรือนดังแสงทองเลื่อมพลายและดังแวดวงด้วยแผ่นผ้างดงามวิจิต บรรดาสัตว์เช่นช้างมา้าหมูวิหกซึ่งอยู่ในสถานที่ของตนก็พากันเปลงสำเนียงส่งเสียงอย่างสน n ะเสียงกลองเสียงพินบรรเลงเป็นเพลงสวรรค์และเครื่องอาพรก็เข้าสวมใส่กายมนุษย์ด้วยสัญญาณ น, นี้ประชาชนก็ทราบว่าวันนี้พระพุทธองค์เสด็จมาบินทบาทในย่านนี้ต่างแต่งตัวนุ่งห่มเรียบร้อยพากันถือของหอมและดอกไม้ออกจากบ้านเรือนเดินไปตามถนน บูชาพระพุทธองค์ด้วยของหอมและดอกไม้ด้วยความเคารพถวายอภิวาตพระพุทธองค์กราบทูลขอแบ่งพระภิกษุสงค์ไปรับพระตหารสิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้างร้อยรูปบ้างแล้วรับบาทของพระพุทธองค์ปูราตอาสนะกราบทูลนิมนต์ให้ประทัดนั่งน้อมนำพระตหารเข้าไปถวายโดยเคารพพระผู้มีพระภาคเจ้าพอเสวยพระตหารเสร็จเรียบร้อยก็ทรงตรวจดูจิตสันดานของประชาชนหมู่นั้น แล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดให้บางพวกรับนับถือไตรสรณคมโปรดให้บางพวกสมมาทานสี่ห้าโปรดให้บางพวกบรรลุโสโดาปติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอย่างใดอย่างหนึ่งโปรดให้บางพวกบวชแล้วบรรลุอรหัตผลครั้นทรงอนุเคราะห์มหาชนแล้วจึงทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับพระวิหารประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายในบริเวณศาลา ต้องรอคอยจนภิกษุสงฆ์ฉันพัตนารเสร็จแล้วภิกษุผู้อุปถาก็เข้ากราบทูลให้ทรงทราบจากนั้นพระองค์ก็จะเสด็จเข้าพระคันธกุฎีนี้เป็นปุเรพัตกิจคือกิจก่อนฉันก่อนเที่ยงนี้ก็เรียกว่าปุเรพัฒน ะ, ะก่อนฉันนั่นแหละก็เรียกว่าปุเรพัฒก็คือก่อนเที่ยงหลังเที่ยงไปแล้วนี่เรียกว่าปัจฉาพัฒหลังฉันแล้วสมัยก่อนนี้ก็จะมีพัฒสองการเทนั้นก็คือปุเรพัฒ ก่อนเที่ยงกับประชามั์หลังเที่ยงไปแล้วครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทากิจก่อนฉันอย่างนี้แล้วทรงพักผ่อนบนอาสนะที่พระอุปถาปูถวายในพระคันธกุฎีแล้วทรงล้างพระบาทประทับยืนบนตังรองพระบาทประธานโอวาทภิกษุสง์ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์เพื่อผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด การเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าในโลกเป็นของยากการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากความถึงพร้อมแห่งขณะเป็นของยากการบวชเป็นของยากการจะได้ฟังพระสัจ ธ, ธรรมเป็นของยากพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานเป็นโอวาทอย่างนี้จะมีประมาณทีขณิกายหรือมัชฌิมนิกายภิสูจบางทูขอได้ทูล ข, ขอพระกรรมฐาน พระองค์ก็ทรงประทานกรรมฐานที่เหมาะแก่จริตของพิสูจน์เหล่านั้นจากนั้นพิสูจทั้งหมดก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกลับไปที่พักของแต่ละท่านบางพวกเข้าไปยังป่าบางพวกเข้าไปยังบริเวณต้นไม้บางพวกเข้าไปยังภูเขาแห่งใดแห่งหนึ่งบางพวกไปยังสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรตีบางพวกก็ไปยังสวรรค์ชั้น ปรนิมิตอวะสวรตีจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จเข้าพระคันธกุฎีถ้าจะทรงพักก็ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ส, ส, สาเร็จศีห์หสยญาติโดยข้างเบื้องขวาครู่หนึ่งพอพักพระวรกายแล้วก็เสด็จลุกขึ้นทรงตรวจดูโลกในภาคที่สองในภาคที่สามประชาชนในหมู่บ้านหรือว่าในนิคมที่พระพุทธองค์ทรงพักอาศัยผู้ได้ถวายทานในเวลาก่อนฉันแล้ว ถึงเวลาหลังฉันก็จะนุ่งห่มเรียบร้อยถือของหอมและดอกไม้ไปประชุมกันในวิหารจากนั้นเมื่อประชาชนประชุมกันพร้อมแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จไปอย่างมีปาฏิหาริย์อันสมควรประทับนั่งณพุทธาสาจที่จัดไว้แล้วทรงแสดงธรรมเหมาะแก่กาลและสมัยเหมาะแก่เหมาะแก่สมัยพอทรงทราบว่าพอแก่เวลาแล้วก็ทรงส่งประชาชนกลับ ประชาชนก็พากันถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็พากันกลับนี้จัดเป็นปัจฉาพัตกิจคือกิจหลังฉันพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงกระทำกิจหลังฉันแล้วอย่างนี้ถ้าทรงประสงค์จะรดน้ําพระวรกายก็จะเสด็จลุกจากอาสนะเข้าที่สรงน้ําทรงใช้น้ําที่พระภิกษุอุปถาจัดไว้รดพระวรกายให้ชุ่มเย็นพระพุทธเจ้าความจริงแล้วไม่มี ฝุ่นแปะเปื้อนพระวรกายเลยนะเพราะว่าผิวของพระองค์นี้ฝุ่นไม่จัดแต่ว่าพระองค์ก็ทรงใช้น้ำํำส่งพระวรกายบ้างเพื่อจะให้อุปถากได้ได้กระทํากิจได้มาเพนบุญกุศลแล้วก็เป็นธรรมเนียมด้วยนในการที่จะอาบน้ําเพราะว่าถ้าเกิดใครรู้ว่าพระุทธเจ้าไม่อาบน้ําเลยนี่กนะ็ก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่าการปิสุอุปถาดก็จะนําอาสนะมาปูราดในบริเวณพระขันธกุดี พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งผ้าแดงสองชั้นคาดประกบเอวห่มอุตราสองเฉียงบ่าเวียงพระอังสะเสด็จมาประทับนั่งณนะที่นั้นทรงทักหลีกเร้นอยู่พระองค์เดียวครู่หนึ่งการหลีกเร้นนี้ก็เรียกว่าปฏิสันลานะรงก็หลีกเร้นด้วยพระสมบัติประเภทสุญญตาสมบัติสุญญตาวิโมกเพราะว่าพระองค์เวลาเจริญปัสนาก็ออกด้วยอนัตตานะเพราะเป็นผู้ที่ ยิ่งด้วยปัญญินีมากด้วยเวทต่อจากนั้นพิกูุทั้งหลายก็จะมาจากที่พักแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางที่อุปถาบรรดาพิกูุที่มาบางพว ก, ก็จะทูลถามปัญหาบางพวกจะทูลขอพระกรรมฐานบางพวกทูลขอฟังพระธรรมเทศนาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงกระทำตามความประสงค์ของพิสูจน์เหล่านั้นอย่างสมบูรณ์ ทรงบำเพ็ญพุทธกิจจนตลอดยามต้นนี้จัดเป็นปุริมะยามกิจคือกิจในช่วงยามต้นพอเสร็จกิจในช่วงยามต้นเมื่อพิสุจ์ทั้งหลายถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพากันกลับที่พักเทวดาในหมื่นโลกธาตุทั้งสิน้นก็ได้โอกาสเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามปัญหาตามที่แต่งไว้ข้อความสั้นที่สุดสี่อักษร พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัดต่อปัญหาของเทวดาเหล่านั้นจนจนล่วงมัชชิมะยามนี้จัดเป็นมัชชิมะยะนี้จัดเป็นมัชชิมะยา ม, มกิดคือกิจในช่วงยามตอนกลางช่วงปัตชิมะยามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแบ่งเป็นสามตอนเพื่อจะเปลื่องความเมื่อยล้าแห่งพระวรกายที่เกิดจากการประทับนั่งตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนฉัน จึงเสด็จจงกลมตอนหนึ่งแล้วเสด็จเข้าพระคันธกุฎีตรงมีพระสติสัมปชัญญสะสำเร็จศีหาสยญาติในตอนที่สองในตอนที่สามเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งตรวจดูโลกด้วยพุทธจักคุเพื่อหาบุคคลผู้ที่ได้สร้างสมบรรมีเช่นทานศีลในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ น, นี้จัดเป็นปัจฉิมยามคือกิจในช่วงยามสุดท้ายนี้พุทธกิจห้าประการ ในสองบาทแห่งคาถาว่าชนานเสสังจริยานุกุลังยัตวานะโวจนุสยัตปหานังทรงทราบแล้วซึ่งข้อธรรมที่อนุกูลแก่จริตของชนทั้งหลายอย่างไม่เหลือได้ทรงแสดงแล้วซึ่งการละอนุสัยนี้บทว่าชนานางหมายเอาพระธรรมเทศนาที่สมควรแก่ชนสามเหล่านี้คืออุคติตันยูบุคคลหนึ่งวิปัญจิตันยูบุคคลหนึ่ง ในยะบุคคลหนึ่งซึ่งได้กล่าวแล้วในตอนที่พันน า, นาทศพลยานสิทธกาลในตอนต้ น, ตนในคําว่าอเสสังจริยานุกูลังที่อนุกูลแก่จริตอย่างไม่เหลือนี้มีวิเคราะห์ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมประพฤติด้วยธรรมชาตินั่นเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าจาริยาจึงอยู่สัตว์ทั้งหลายย่อมประพฤติไปตามอํานาจแห่งราคะเป็นต้นในสันดานของตนของตน เพราะฉะนั้นราคะเป็นต้นจึงชื่อว่าจริยาก็คือจริตซึ่งข้อธรรมที่อนุกูลแก่จริยาชื่อว่าจริยานุกูลคําว่าอาเสสังอย่างไม่เหลือคือไม่มีเหลือคําว่ายัตวานะทรงทราบแล้วเป็นกิริยาวิเศษณนะ์อธิบายว่าทรงทราบคือทรงรู้จริยาทั้งหลายที่แตกต่างกันหลายประเภทอย่างไม่มีเหลือในที่นี้จริยาหกคือ ราคะจริยาโทสะจริยาโมหจริยาสัทธาจริยาพุทธิจริยาวิตกะจริยาเป็นมูลละจริยาหกหมายถึงว่าเป็นจริยาที่เป็นมูลเป็นรากเลยแต่ว่าสามารถที่จะแตกออกแจกแจงแยกแยะออกไปได้ถึงหกสิบสามประการว่าโดยประเภทแห่งจริยาเหล่านั้นย่อมมีหกสิบสามประการอย่างนี้คือมีจริยาเจ็ดจริยาในหมวดจริยาสาหมวด ที่มีราคะจริยาเป็นต้นก็คือตังอกุศลจริยาเนี่ยนะราคะโทสามูหะเนี่ยนะสามารถที่จะมาแยกแยกปะปะปนกันกลายเป็นกลายเป็นเจ็ดจริยาด้วยกันสามหมวดนี้แล้วก็ที่มีราคะจริยาอาขอโทษราคะจริยาเป็นต้นนี่นะเจ็ดละจริยาในหมวดจริยาสามหมวดที่มีศรัทธาจริยาเป็นต้นก็คือพวกศรัทธาพุท ธ, ธิวิตกเนี่ย โดยคระกันทั้งจริยามูลเดียวสองมูลและสา ม, มูลรวมเป็นเจ็ดหมวดหมวดละเจ็ดก็เจ็ดหมวดหมวดละเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดเป็นสี่สิบเก้าแล้วก็อีกสองไ อ, อจริยาสามหมวด อ, อีกสองสองชุดเป็นสิบสี่ทั้งหมดก็เลยเป็นหกสิบสามนะเจ็ดเจ็ดสิบเก้าลองแจกให้ฟังก็ได้นะก็คือถ้าหมวดจริยาสามหมวดมีราคจริยาเป็นต้น ก็ได้แก่อะไรราคะโทสะโมหะราคาโทสโะาา โ, ทสโมหะนี้เอามาแจกแจง อ, ออกได้เป็นเจ็ดนะก็คือราคะหนึ่งหมวดราค่าหนึ่งและโทสะสองโมหะจริยาเป็นสามแล้วก็ราคะโมหะอีกเป็นสี่นะราคาโมหะนี้เกิดร่วมกันได้แล้วก็โทสะโมหะอีกเป็นห้าโทสะโมหะก็เกิดร่วมกันได้นนี่เขาเรียกว่าสังสักะตะขอนกันนะแล้วก็ หมวดที่หกก็คือราคะโทสะราคะโทสานี่เกิดร่วมกันไม่ได้หรอกแต่ว่ามันสันนิปาตะมาถึงว่าสืบต่อเนื่องกันได้เป็นหกเลวนะแล้วลก็อันที่เจ็ดก็คือราคะโทสะโมหะอันนี้ก็สืบต่อกันได้ราคะโทสานี่เกิดร่วมกันหรอกนะแต่ว่าราคะกับโมหะเกิดร่วมโทสะโมหะเกิดร่วมราคะกับโทสะนี้เกิดสลับกันได้ก็เลยเป็นเจ็ดหมวดนะส่วนทางด้านฝ่ายอภิญญาตะหรือว่าฝ่ายกุศลเนี่ยศรัทธาพุทธิวิตตกนะ ศรัทธาจริยาหนึ่งพุทธิจริยาสองวิตตากาจริยาสามครา้ น, นี้ก็เอาแบบผสมก็คือศรัทธาพุทธิจริยาเป็นนะสี่ศรัทธาวิตกเป็นห้นาพุทธิวิตกเป็นหกศรัทธาพุทธิวิตตกเป็นเจ็ดเป็นต้นนะอนะก็อยังสามารถที่จะแจกได้อีกนะแจกได้อีกก็คือปนกันเลยตอนนี้รวมก็คืออะไรบ้างคือราคาจริยาหนึ่งอราคามาตั้งนะราคามาตั้งก่อน แล้วก็เดี๋ยวโทรสามมาตั้งก็ได้เดี๋ยวโมหะมาตั้งอีกก็ได้นะราคาตั้งราคาจริยาหนึ่งอันที่สองก็ราคาพุทธิจริยาอันที่สก็ราคาวิตติกจริยาอันที่สี่ก็ราคาศรัทธาพุทธิจริยาอันที่ห้าก็ราคาศรัทธาวิตตกจริยาอันที่6ก็ราคาพุทธวิตตกจริยาอันที่7ก็ราคาศรัทธาพุทธิวิตตกจริยาเป็นต้นนะแล้วก็แจกไปก็ อีกหมวดนึ่งก็เอาโทสะมาตั้งอีกหมวดนึ่งก็เอาโมหะไปตั้งนะตั้งอย่างนี้ไปก็กลายเป็นทั้งหมดรวมแล้วหกสิบสามจริตด้วยกันทรงทราบคือทรงรู้สัตว์เหล่านั้นทั้งหมดอย่างไม่เหลือคือไม่มีตัวเหลือคําว่าจริยานุกูลังอนุกูลแก่จริตนี้เป็นเพียงหัวข้อเทศนาเพราะฉะนั้นจึงมีอธิบายว่าทรงทราบแม้ซึ่งสัตว์ทั้งปวงผู้ที่น้อมไปตามจริยา ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยผู้มีอินทรีกล้าเป็นต้นในสองบทว่าอนุสยับปหานังอะโวจะอะโวจะได้ทรงแสดงการละอนุสัยนี้มีวิเคราะห์ว่าทาเหล่าใดย่อมนอนตามคือเหมือนนอนตามนะอธิบายว่าย่อมเป็นไปตามจนถึงโคตรภูจนถึงภระวกระพรมเหตุนั้นทาเหล่านั้น ชื่อว่าอนุใส่ความหมายอีกอย่างหนึ่งนะองอนุสัยไม่ใช่แค่ อ, อาสมะเท่านั้นนะอาสวะนี่ก็ไหลไปจนกทั่งถึงโคตรตะูแล้วก็ถึงพวกรพรมแต่ว่าอนุสัยนี่ก็ย่อมนอนตามเหมือนกันเป็นไปตามจนกทั่งถึงโคตรตะพูจนทั่งถึงพวกรพรมด้วยนะก็การกําหนดกิเลสทั้งหลายมีสามคือการกําหนดวิญยัตหนึ่งการกําหนดปริยุทธานหนึ่งการกําหนดอนุใส่หนึ่ง ในสามอย่างนั้นกิเลสเหล่าดายย่อมเกิดขึ้นยังการเคลื่อนไหวไกายและวาจาด้วยอํานาจปานาธิบาตเป็นต้นให้สําเร็จการกําหนดความหยาบของกิเลสเหล่านั้นชื่อว่าการกําหนดวิญยัต อ, อันนี้ก็ใช้ศัพท์ใหม่แทนที่จะใช้คําว่าวิติกมะวิติกมะกิเลสนะเป็นกิเลสที่ก้าว่วงมาทางกายวาจาทั้งมาใช้คําว่าเป็นการกําหนดวิญยัตเพราะว่าการที่กรายกายวาจาสามารถที่จะก้าว่วงมาได้ก็ต้องอาศัยกายยวิน ญ, ญัตกับวชีวิญยัตนั่นเอง มันก็เป็นการกําหนดวิญญัตอย่างหนึ่งกิเลสเหล่าใดา ย, ย่อมเกิดขึ้นมีอารมณ์ในมโนทวารในสันดานอย่างเดียวไม่ถึงการเคลื่อนไหวการกําหนดกิเลสเหล่านั้นชื่อว่าปรจยุทบฐานนั่นก็คือไม่ไหวออกมาเป็นทางกายทางวาจานะกิเลสเหลาา่าใดแม้เว้นวิญยัตและปรจยุทบฐานเป็นเพียงหมักดองไม่มีอารมณ์อยู่ในจิตสันดานอย่างเดียวเป็นเพียงเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อไป เปรียบเหมือนดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมทั้งหลายอันบุคคลใส่ในภาชนะน้ําดื่มแม้จะหยิบทิ้งแล้วน้ําดื่มก็ยังมีกลิ่นหอมฉันใดแม้เมื่อกิเลสทั้งหลายที่ถึงความเป็นวิญญัตและปริยุทธานจะปราจจากไปอาการที่กิเลสเหล่านั้นอบรมไว้ก็ยังผูกพันอยู่กับจิตฉันนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัจจัยตามการแม้นานแสนนานกิเลสทั้งหลายย่อมเกิดต่อไปได้นั่นเทียว การกำหนดกิเลส ท, ทั้งหลายที่หมักหมมอยู่ชื่อว่าการกําหนดอนุสัยแต่ว่าจะไปเข้าใจว่ามันจะไปหมักดองอยู่ตรงไหนนะโดยตรงกัน อ, อนุสัยเนี่ยโดยตรงเนี่ยหมายถึงกิเลส ท, ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นกิเลส ท, ที่มีกําลังที่ยังละไม่ได้ด้วยอริยมรรคเมื่อได้ปัจจัยจึงเกิดขึ้นแต่โดยสภาวะแล้วกิเลสอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็มีสภาวะเหมือนกันเพราะฉะนั้นอนุสัยกิเลสจึงเป็นได้ทั้งสามการเป็นสภาวะที่เกิดขึ้น พร้อมวีติกรมะและประยุทธานนั่นแหละถ้าจะดูละเอียดก็ดูในอนุสัยยมกอัตกถาและก็ในปฏิสัมพิธามรักในมหานิเทศมีแจกแจงเอาไว้ห ล, ลากหลายเลยนะละเอียดมากตรกลงกิเลสสารประดับนะก็วีติกรมะคือยังกายยบิยัตและจิวิญัตให้ตั้งขึ้นประยุทธานก็คือเป็นไปนทางมโนท ว, วารแลวก็อนุสัยเป็นสภาพที่นอนเนื่องจังจะ จะยังกิเลสให้เกิดต่อไปนะเหมือนกับนอนเนื่องในเรื่องนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงห้ามความเป็นไปทางวินยัตแห่งกิเลสทั้งหลายด้วยสีและกถาย่อมทรงห้ามปริยุดฐานกิเลสด้วยสมาธิกถาย่อมทรงแสดงการถอนอนุสัยกิเลสด้วยมัคคะกถาละได้สิ้นเชิงต้องอาริยมัคนั่นแหละในเรื่องนั้นพระปจเจ ก, กพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยาสาวกทั้งหลาย และดาบททั้งหลายมีกาลเทวินดาบทและนาระทะดาบทเป็นต้นย่อมสามารถที่จะรู้วิญญาตและปริยุทธานของชนเหล่าอื่นเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงสามารถแสดงธรรมเพื่อละวิญญาตและปริยุทธานเหล่านั้นส่วนการแสดงธรรมเพื่อละกิเลสอนุสัยเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นมิใช่วิสัยของชนเหล่าอื่นเพราะฉะนั้นพระสัพพัญยูพุทธเจ้าทั้งหลายทรงทราบอาทยะ คือทิฏฐิและความรู้ตามความเป็นจริงก็ได้แก่ยถาภูตยานทิฏฐิก็แบ่งออกเป็นสองนะก็คืออุเฉทะกับสัตตะความรู้ตามความเป็นจริงก็แบ่งเป็นสองเหมือนกันก็คือยถาภูตยานกับอนุโลมอนุล ม, ม, มยา น, นขันติ อ, อนุลมขันตินะก็ได้แก่วิปัสสนากับกรรมสกตายานนั่นเองส่วนอนุใสก็คือกิเลสที่นอนเนื่องซึ่งยังละไม่ได้จริยาก็ได้แก่อุสนและอุศล ที่กายกรรมเป็นต้นปรุงแต่งอธิมุตก็ได้แก่อัธยาศัยอินตริยะประโรปริยัตะประความยิ่งและความย่อนแห่งอินทรีย์แล้วย่อมแสดงโลกุตรธรรมที่จะกระทําการละอนุสัยเมื่อละอนุสัยทั้งปวงได้แล้วจิตย่อมบริสุทธิ์หมดจดและบุคคลผู้ละอนุสัยนั้นย่อมเป็นพระอรหันต์ก็บาปธรรทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นย่อมไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไปแม้ในการบังคราว เพราะบาป ท, ทำเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นกรรมแม้ที่กระทําแล้วย่อมไม่สามารถที่จะให้ปฏิสนธิอีกดุดมเมล็ดพืชเน่ามีดินและน้ำเสียเพราะฉะนั้นบุคคล น, นั้นปรินิพานด้วยอนุปาฏิเสสนิพนธธาตุดุดไฟไม่มีเชื้อดับไปอธิบายว่าย่อมไม่เกิดในภพใหม่เมื่อไม่มีการเกิดความทุกข์ทั้งหลายเช่นชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาต ภัยความขลาดความทรมานความเบียดเบียนการตัดการทำลายการฆ่าการจองจําและโรคย่อมไม่มีท่านพนานาไว้โดยในเป็นต้นว่าเพราะกระทธรรมความไม่มีแห่งทุกขเหล่านั้นนั่นแหลพระนิพพานจึงเป็นสุขสงบเป็นอมตะเป็นแดนเกษมบุคคลใดเป็นผู้สามารถที่จะแสดงธรรมที่กระทําความสิ้นไปแห่งครบเห็นปานนี้บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระชนนพระพุทธรักษิตาจารย์จึงวิสัชนาปัญหาที่ถามว่าอนัญญะสาธาระภูตะมัถังอากาศสิกิงโสกิมะโวจะบุตโทพระพุทธเจ้านานทรงกระทำประโยชน์เป็นจริงอะไรทรงแสดงอะไรที่ไม่ทั่วไปกับสาวกอื่นด้วยคิดว่าชนานเสสังจริยานุกูลังยัตวานะโวจานุสยัปปหานัง ข้าพุทธเจ้าทรงทราบแล้วซึ่งข้อธรรมที่อนุกูลแก่จริตของชนทั้งหลายอย่างไม่มีเหลือได้ทรงแสดงแล้วซึ่งการละอนุสัยนะสําหรับพระอรหันต์นะพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสที่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วนะแม้บางคราวนะเพราะบาปทำทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็จะไม่มีปฏิสนธ์ที่อีกเหมือนกับเมล็ดพืชเน่าที่มีดินและน้ําเสียไป ยังให้ผลตราบเท่าที่พระอาหารหันยังไม่ปรินิพานคือถ้ายังมีขันห้าเหลืออยู่นี่กรรมทั้งหลายกิเลสทั้งหลายในี่อดีตนะที่เคยสั่งสมไว้ให้มีการทํากรรมเนี่ยนะกรรมก็ยังสามารถที่ให้ผลอยู่เช่นพระมหาโมคระณะที่ถูกโจรทุบ ก, กระดูกแหลกหรือว่าพระพุทธเจ้าถูกนางจินจามานวิกาใส่ความแล้วเทวทัศ์กลิ้งหินทับสะเก็ดหินก็กระเด็นไปโดนพระบาทของพระพุทธเจ้าห่อเลือดนะ หรือว่าพระโลสกะติสาเทระเนี่ยในอดีตก็ไปริศยาพระอรหันต์ตอนหลังปฏิบัติธรรมะประสานบุตรนำมาบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เกิดในพวกตระกูลเข็นใจนะเป็นการกานนอย่างมากแม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังอดอยากเลยได้รับทุกข์ทรมานมากอันนี้ก็เป็นเรื่องของแรงหน่วงหรือว่ากาลังของ กรรมในอดีตยังสามารถที่จะให้ผลได้อยู่ตราตใยที่ยังมีขันอยู่นะเพราะฉะนั้นเจ้าขันนี้ก็เป็นอันตรายเป็นภัยเป็นพิษเป็นศัตรูสิ้นขันไปได้ก็เป็นเรื่องท mm ี hmm. ่ดีมากเลอก็พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นผู้ที่ใครเปรียบเทียบไม่ได้ด้วยกายและวาจาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสำเร็จแล้วด้วยพระพุทธคุณสัตว์บุรุษทั้งหลายพิจารณาแล้วแม้ซึงเหตุและผล จงครบซึ่งพระตะถาคตเจ้าเทินพันนาคาถาชำระเรื่องในคำพีชินาดังการะซึ่งเป็นต้นเหตุให้ความเพลิดเพลินแก่สาธุชนจบแล้วด้วยประการชนีก็ออคอยท่านทั้งหลายได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าโดยประการต่างๆให้เกิดศรัทธาปีติประโมทแล้วก็น้อมนำไปในการที่จะ เป็นฐานแห่งการเจริญไตรสิกขาเพื่อบรรลุอริยทธัตถธรรมเป็นสาวกของพุสธมารสัมพุทธเจ้าโดยการไม่เนินชานี้ขออนโมทนาสาธุการสาธุสาธุสาธุ